เพลินสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านพบกับรายการธรรมะสุสันต์อีกเช่นเคยเป็นประจําในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้นํำธรรมะมาสู่ท่านสาธุชนเป็นประจําซึ่งวันนี้ก็จะได้นําธรรมะของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยเชยมงมงโลซึ่งบรรยายให้แก่ข้าราชการตํารวจ กองกากับการ3ากองบัญชาการการศึกษาเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครที่เข้าไปศึกษาอบรมอยู่ที่วัดหลวงพ่อสมธรรมกายารามวันนี้จะขอนำตอนที่2มาสู่ท่านสาธุชนซึ่งหลวงพ่อท่านได้พูดค้างไว้จากป่าที่แล้วเพื่อที่จะให้ธรรมะแกข้าราชการตารวจเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ จึงขอเชิญท่านสาธุชนมารับฟังธรรมบัญญายเรื่องคุณธรรมนำชีวิตให้เจริญโดยพร้อมกันณบัดนี้โกรธพยาบาทจัด แล้วก็หลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหลงตัวหลงตนหลงอำนาจทั้งอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งหลงอำนาจเงินหลงอำนาจพวกพ้องมากมายนี่ท่านทั้งหลายมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ก็จงมาตั้งใจศึกษาเรียนรู้ธรรมะหลักธรรมชาติว่าทําอย่างไรดีทำอย่างไรเลวแล้วตั้งตนอยู่ในคุณความดีไม่ไปในทางชั่วในทางเลวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อืน่นเพื่อกําจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างนั้นที่มีอยู่ในสังคม และประเทศชาติของเราซึ่งให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างยิ่งอยู่ในขณะนี้ก็เหตุเพราะบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตั้งแต่เด็กถึงสังคมผู้ใหญ่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงมีการหลงเสพ สิ่งเสพติดมืนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็โลภทั้งผลิตทั้งจำหน่ายจ่ายแจกด้วยกลอุบายต่างๆทั้งเปิดเผยถูกต้องตามกฎหมายและปกปิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายบำรุงบำเรอกันด้วยการมสุขด้วยอบายามุกต่างๆหลงติดกันอย่างงอมแงม ทุจริตทางกายทางวาจาและใจนั้นมากมายมหาศาลจนถึงขนาดว่ามองไปในสังคมเรานั้นแทบจะหาคุณความดีที่เราเปรียบเหมือนว่าของขาวใสสัก 25% เปเซก็แทบจะไม่เจอ เพราะฉะนั้นพื้นฐานของสังคมของเราตั้งแต่พื้นฐานในครอบครัวเศรษฐกิจในครอบครัวเบื้องตน้นมันก็เสียหายหรือไม่เจริญไม่มั่นคงเท่าที่ควรและมันเกินเลยไปถึงในสังคมเช่นพื้นฐานของทางการเมือง ท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้วมีการทุจริตกันอย่างมาโหลานนับตั้งแต่การเลือกตั้งเดี๋ยวนี้เลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาใช้เสียงนนะซื้อเสียงขายเสียงกันแล้วลงทุนกันแล้วหลายล้านยิ่งจะมีการเลือกตั้งประธานอบอตอต่อไป ก็คงจะมีการซื้อเสียงขายเสียงกันอีกเป็นจำนวนมากจึงไม่ต้องกล่าวว่าโรคติดต่อนี้มาจากไหนมันมาจากการซื้อเสียงขายเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันมากมายกายกองถึงขนาด อาตมานี่คุยกับนักการเมืองปกติก็ไม่ได้มีปกติในการไปคุยกับเขาหรอกแต่ว่าพอมันมีโอกาสที่ได้พบกันคนบ้านเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกันก็มาสนิทสนมกันพูดกันตรงไปตรงมาได้บอกว่า ผมนี่นะจะขอรี ก, กราบนะมัทส ก, การหลวงพ่อตรงๆว่าการซื้อเสียงขายเสียงเนี่ยมันเต็มไปหมดมันของจริงทางนั้นงวดหน้านี่นะเมื่อผ่านมาเนี่ยี่สิบห้าล้านนะแทบจะเอาไม่อยู่ผ่านไปคราวหน้าเนี่ยไม่รู้สี่สิบล้านจะอยู่หรือเปล่านี่ท่านนึกดูนี่ นี่กบฏคดโกงแล้วทุจริตแล้วจะโดยตรงโดยอ้อมกับทุจริตแล้วทุจริตการเลือกตัง้งทีนี้ประชาชนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็ไปเห็นแก่เงินเพราะไม่รู้ผลที่มันไปจากเหตุ ว่ามันจะเกิดเกี่ยวเนื่องไปถึงไหนไม่ได้เรียนรู้หลักเศรษฐศาสตร์หลักรัฐศาสตร์แม้นิติศาสตร์คือกฎหมายไม่รู้รู้นิดหน่อยใครประมูลเงินมากกว่าเลือกคนนั้นรับเงินเขาเมื่อรับแล้วเป็นบุญคุณเนี่ยไม่กล้ากระ บ, บทคตโกงเขา มีความดีอยู่หน่อยแต่ความดีนั่นเอาไปใช้ให้กลายเป็นความชั่วคือความกระตันอยู่เอาไปใช้ผิดที่ผิดทางมันเหมือนก็มีมีดอยู่กับมือแทนที่จะเอาไปดาา้หญ้าถางหญ้าหรือปราบศัตรูดันเอามาแทงทิ่มตัวเองเหมือนกับเป็น โรคจิตหรือพวกติดยาต้องเอามีดกรีด ต, ตัวเองนั่นคืออาการของประชาชนที่ไม่รู้เหตุผลต้นปลายของความทุกข์เดือดร้อนและความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็รับเงินเขาและถ้ารับมีหลายเจ้ามาประเคนให้ประมูลคนใดให้มากที่สุดก็ต้องคนนั้นนี่อย่างนี้ระบาดกันไปทั่ว หรือว่ารับด้วยความกลัวก็มีนะเพราะบางรายให้เงินหัวคะแนนไปแล้วหัวคะแนนไปจ่ายยังไงก็ไม่รู้ล่ะเกิดถ้าว่าไม่ได้ขึ้นมาแล้วบางรายน่ะเอาโลงศพไปตั้งหน้าบ้านของหัวคะแนน บอกให้ระวังตัวภายในสามวันถ้าว่าระวังตัวไม่ดีก็เป็นศพได้ใช้ลงนั้นมันเคยมีเคยมีข่าวและก็มีข่าวต่อไปว่าคนประเภทนั้นก็เลยเจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะมันทามาเยอะแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ประชาชนก็เลือก ด้วยอำนาจเงินอำนาจพวกพ้องอำนาจอาวุธไม่ได้เลือกคนดีตามหลักการเอามาเป็นผู้แทนทำหน้าที่แทนตนในสภามาตั้งรัฐบาลก็มีคนประเภทที่ไม่ดีแต่มีกำลังเงินมีอำนาจเงินซึ่งได้เงินมาด้วยวิธีที่ไม่ชอบทำ เอาเงินมาซื้อเสียงแล้วเข้าไปหมดเงินหมดทองเป็นตั้งหลายล้า น, นงเงินเดือนสอสอเท่าไหร่เงินเดือนรัฐมนตรีเท่าไหร่คูณไปคูณมามันได้ไม่พอครึ่งของเงินที่ทุ่มเทไปเมื่อเขาทุ่มเทไปแล้วเขาจะทํำยังไงมันธรรมาชาติที่สุดถ้าคิดง่ายๆเราก็เห็นเลยแต่ว่าประชาชนไม่รู้ เพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหารประเทศคือรัฐสภาและคณะรัฐบาลในยุคใดก็ตามที่มีคนชั่วมากประกอบกับพื้นฐานของประชาชนสาขาอื่นๆมีพื้นฐานไม่ดีอย่างนั้นทั้งข้าราชการทั้งพลเรือนทั้งประชาชน เป็นไปในลักษณะเช่นนั้นมันก็ไปก่อเหตุแห่งความทุกข์คือทุจริตคิดมีชอบไม่พัฒนาประเทศชาติด้วยเงินด้วยปัจจัยที่พอจะมีนำไปพัฒนาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน่วยมันตกเรียรเสียหายไปตั้งแต่สำนักงบประมาณ พอออกจากสำนักงบประมาณก็ไปแล้วก็ตกเรียเสียหายกว่าจะไปถึงประชาชนนิดเดียวแล้วแถมยังไปทำมิดีมิร้ายต่อสถาบันการเงินบ้างต่ออื่นๆบ้างให้เสียหายเมื่อเสียหายแล้วมันกระเทือนกันไปหมดอย่างเช่นกรณีบ b บซี ธนาคารนั่นมันดึงให้ธนาคารชาติต้องเอาเงินไปปลกไปชดเชยไม่งั้นธนาคารลม้มเมื่อรัฐบาลอ่อนแอไปฐานะการเงินค่อยย่อแยบลงไปประกอบกับสังคมประเทศชาติขาดระเบียบวิ น, นัยในการใช้เงินไปกู้เงินจากเมืองนอกมามากๆ เพราะเห็นดอกเบี้ยถูกๆเอามาประกอบกิจการงานหรือสถาบันการเงินต่างๆแต่ว่ากำลังผลิตที่จะให้ได้รายได้มามันไม่เพียงพอเพราะอำนาจเงินค่าของเงินมันลดลงตามฐานะเศรษฐกิจที่สุด ธนาคารชาติก็ต้องเอาเงินคงคลัง เ, เอาเงินจากธนาคารชาตินั่นแหละเอามาโปอีกคือมาซื้อหรือมาพยุงเงินบาทจนหมดเนื้อหมดตัวแต่เงินบาทไม่ขึ้นรัฐบาลหมดแล้วกระเป๋าไม่มีเงินจะจ่ายแม้กระทั่งอย่างพวกท่าน เคยได้ยินไหมว่าเช็คของรัฐบาลเด้งเช็คเด้งคิดดูสิไปยังไงความเชื่อถือรัฐบาลก็ลดลงค่าเงินบาทก็ลดลงไปอีกระบบเศรษฐกิจทั้งหมดหยุดนิ่งเหมือนกับเครื่องจักรเฟืองมันติดตัวใหญ่ตัวหนึ่งไอ้ตัวอื่นก็เลย ทำงานตกแตกตอกแตกตอกแตกแตกต ก, แต ก, แตกึ ก, กหยุดจะตายออกต้องไปกู้เงินจาก IMF กู้มาแนละ้วมันบังคับเลยนี่ธนาคารสถาบันการเงินต่างๆที่รับหลักทรัพย์มาเป็นประกันเงินกู้เช่นที่ดิน เครื่องจักรเหล่านี้ในต่างประเทศเขาถือว่า Non-performing loan เป็นประเภทเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นหลักทรัพย์ที่มีก็เลยสูญเปล่ากลายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีค่าตามความหมายของเขา เพราะเขาไม่ใช่หลักทรัพย์ประเภทนี้ในการมาค้ำประกรันกู้เงินเหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราที่ดินราคาไม่ตกมีแต่ขึ้นนี่ตั้งแต่ก่อนมานะแต่มาบัดนี้กลายเป็นของไม่มีค่าอ้าวไม่มีค่าก็ไอ้ของมาประกรันนี่ก็เป็นของสูญเปล่าเขาเรียกว่านี่เสียอ้าวทำไง ให้เพิ่มทุนนีเ่เขาบังคับให้เพิ่มทุนทำไมเขาถึงบังคับให้เพิ่มทุนเขากลัวธนาคารสถาบาันการเงินแจ้งเพราะสถาบาันการเงินแจ้งมันแจ้งหมดประเทศไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาเขาเลยบังคับเราอย่างนี้นี่มันเกี่ยวพันเป็นลูกโซ่นี่มันมาจากกิเลสตัวเดียวที่พูดมาเนี่ยทั้งหมด ตายสิประเทศเราอะขณะ น, นี้ปังงาบปังงาบเลยไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยก็ต้องทำตามเขาเพราะเขากลัวเราจะไม่ใช่นี่หรือใช้นี่ไม่ได้เขาจะล้มเราล้มละลายก็เสร็จแล้วเขาก็เลยทั้งบีบเทามังคับธนาคารเขาก็เลยเจ้งเป็นแถว น, นอกจากนั้นพวกที่ไปซื้อสินค้าเข้ามาประเภทโรงงานต่างๆเครื่องจักรเครื่องมือหรือวัตถุดิบไป เครดิตเขามาพอค่าเงินมันตก <c oughs> แต่ก่อนเคยยี่สิบห้าบาทหนึ่งดอลลาร์เป็นหนี้เขาห้าร้อยดอลลาร์ก็เสียเงินนั่นแหละห้าร้อยคูณด้วยเจ็ดสิบห้านั่นออคูณด้วยยี่สิบห้านั่นแหละเป็นเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็น หนึ่งดอลลาร์ต่อสี่สิบอ้าวไอ500นะ้ห้าร้อยน่ยมันแทนที่จะคูณยี่สิบห้ามันกลายเป็นคูณสี่สิบเป็นหนี้เข้าอย่างนั้นแล้วแล้วแถมกู้เงินแบงก์ก็ไม่ได้เพราะแบงก์ไม่มีเงินให้กู้เพราะจะต้องทําเพิ่มทุนขึ้นมาให้มันเท่านะี่ยอ้าวแบงก์ก็ปังงา่าปังงาเหมือนกันเลยผลิตไม่ได้เห็นไหมผลิตไม่ได้ก็ไม่มีอะไรขาย เลี้ยงคนงานไม่ได้แล้วต้องปลดคนงานเห็นไหมล่ะปลดคนงานไอ้คนงานก็ถูกปลดไม่มีรายได้อีกเสร็จสิรัฐบาลไปเก็บภาษีที่ไหนเก็บไม่ได้เก็บจากโรงงานอุตสาหกรรมหัตถกรรมหรือการค้าขายหรือสถาบันการเงินไม่ได้รัฐบาลก็ไม่มีเงินมาใช้หนี้เขาอีกอ่ตายแล้ววนไปวนมาอยู่นี่ นี่มันจะตายโดยวิธีการอย่างนี้มันมีเหตุมาจากจุดเดียวกิเลสของคนโดนจิตโดนใจให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดประกอบอาชีพผิดผิดแล้วก็นำคนอื่นผิดผิดแล้วก็หลงตามกันผิดผิดนี่แหละที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้เพราะคนไม่รู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติ คือบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นพุทธแตกเปลือกแถมยังบางอย่างรู้แต่ทำเพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ซึ้งแจมแจ้งลงไปถึงก้นบึ้งของหัวใจไปถึงธาตุธรรมเห็นจาคิดรู้ในที่สุดละเอียด ในจิตใจของเราในจิตสันดานของเราที่มันจะควบคุมความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจของกายหยาบนี่ให้มีหิริโอตตปะให้มีความสำรวมระวังมันยังไม่พอก็ทำผิดกันบ้านเมืองก็วอดวายดังที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้ก็แก้ไปเถอะนี่แหละแก้อย่างดีที่สุดแล้วมันได้เท่าที่เห็นเนี่ย แล้วก็ยังมีกิเลสก่อกวนกันอีกเยอะแยะโดยความโลภต่างๆนาๆนาและบ้านเมืองเราจะฉิบหายเพราะคนโลภคนตันหาราคะกรล่าคนขี้กโกรธขี้พยาบาทคนขี้หลงอิจฉาริษยาต่างๆหลงตัวหลงตนหลงอำนาจแตะเกียกตะกายจะเอาอำนาจเงินซื้อก็เอา มือเงินซื้อไปแล้วมันเป็นการทุจริตทาไงก็ไปทุจริตต่อก็ท่านี้เนี้ยนี่แหละอัตมาจึงเจริญพรแก่ท่านทั้งหลายว่าอัตมาดีใจที่ท่านทั้งหลายมามาแล้วให้รู้เหตุผลต้นปลายตรงนี้แล้วเรื่องอย่างนี้อัตมายังไม่ได้พูดกับใครเท่าไหร่นะ เว้นแต่เป็นพวกผู้ใหญ่อย่างท่านถ้าเป็นเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาพูดอย่างนี้เธออาจจะยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอถ้าเป็นเด็กเว้นแต่เด็กโตก็จะเล่าให้ฟังว่านี่แหละโทษหรืออำนาจของกิเลสที่นำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนเพราะดนจิตดนใจให้ประพฤติปฏิบัติไปตามอำนาจของมันคืออำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทาน เพราะฉะนั้นท่านมาแล้วจงเรียนรู้ที่นี้เรียนรู้เนี่ยก็เลยจะกล่าวย่อลงไปอีกว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะปฏิบัติมันก็มีหลักความปฏิบัติหรือความประพฤติปฏิบัติอยู่สามประการเป็นที่รู้กันละความชั่วนั่นแหละต้องมาเรียนรู้ทีเดียว เรียนรู้ความชั่วว่าผิดศีลอย่างนี้อย่างนี้ให้โทษอย่างนี้อย่างนี้และโทษนั้นไม่แต่เพียงเห็นในภพชาตินี้ยังให้ผลเป็นวีบากของกรรมชั่วเช่นนั้นชนิดที่เรามองไม่เห็นในอนาคตในภพชาตินี้ด้วย และยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกติภูมิคือในภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานด้วยตรงนี้ทําไมปฏิบัติให้เห็นจริงๆมันก็ฟังแล้วดูแล้วเหมือนไม่น่าเชื่อเพราะคนสมัยใหม่เขาว่าอะไรพิสูจน์ไม่ได้เขาจะไม่เชื่อแต่เขาลืมไปว่าเขายังไม่ได้พิสูจน์ ไอ้ที่ว่าพิสูจน์ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้พิสูจน์หรือพิสูจน์แต่วิธีการและผลของการปฏิบัติยังไม่ถึงพอที่จะได้ข้อมูลอันเป็นความจริงอย่างประเสริฐคือสัจธรรมให้สามารถรู้เห็นนรกสวรรค์นิพพานได้ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งมาแล้วจึงเอามาสอนเราตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะในวงการศึกษาปัจจุบันเนี่ยบางทีแม้แต่พระนะสอนนรกสวรรค์ไม่มีมีแต่นรกก็คือคุกสวรรค์ก็คือคนรวยมีเงินหรือเจ้านายหรือผู้มี ยศถาบรรดาศักดมีความสุขนั่นเรียกว่าสวรรค์นี่สอนกันผิดผิดทั้งทังที่นรกสวรรค์มีจริงๆนี่แหละที่อาตมาชี้ตรงนี้วัรมาปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ําสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายถึงนิพพานเห็นหมดทั้งนรกทั้งสวรรค์ถึงนิพพาน พระพุทธเจ้าทรงเห็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อทรงสอนอะไรจึงจะมีคำว่าชาณาตาปัสตตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะชาณาตานี่ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งชาณาตาปัสตตาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้แจ้งทรงเห็นแจ้งอรหัตตาเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเทนะตรัสรู้แล้วเองโดยชอบนี่เป็น คุณธรรมของพระพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งมาแล้วแต่ผู้สอนไม่กล้าที่จะสอนตรงๆตามพระพุทธพจน์เพราะตนเองไม่ได้ปฏิบัติพอให้ได้รู้ได้เห็นหรือพอจะให้มีประสบการณ์ก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยไปทำนองว่าพิสูจน์ไม่ได้ นี่มีเยอะนะนี่บิดเบือนพระพุทธพจน์เช่นเดียวกันถ้าทำดีให้ผลเป็นคุณความดีเป็นความสุขความเจริญในภพชาตินี้พิสูตรได้ในภพชาตินี้ไปจนถึงว่าความดีนั่นจะเกิดเป็น คุณความดีที่แก่กล้าจากบุญเป็นบารมีเป็นอุปะบารมีเป็นปรมัตถบารมีให้ผลติดตามให้ผลแจ้งชัดทั้งในภพชาติปัจจุบันในอนาคตและภพชาติหน้าถ้ายังไม่บรรลุพระอาหารหันตผลได้ไปบังเกิดในสุคติภพหรือเรียกว่าในสุคติโลกสวรรค์ในแก่ภพมนุษย์ที่ดี หรือในเทวโลกหรือแม้ในพรหมโลกเป็นต้นแต่ถ้าบรรลุอรหัดอรหันต์แล้วนั่นแหละย่อมปรินิพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัจนี้อีกนี่ทำความดีแล้วเป็นอย่างนี้ตรงนี้ทั้งสองอย่างถ้าท่านปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกาย ถึงพระนิพานท่านจะรู้เห็นอย่างนี้พอรู้เห็นอย่างนี้มันเลิกละได้เช่นว่าสุราง่ายๆเลยไม่ต้องเอาตื้นๆสุราสุรานี่แหละสทธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสุสันติ ที่จบไปนั้นก็เป็นคติธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลในเรื่องคุณธรรมนำชีวิตให้เจริญซึ่งท่านได้แสดงให้แก่ข้าราชการตำรวจกองกำขับการสามกองมัญชาการการศึกษาได้รับฟังธรรมะเรื่องนี้ยังมีอีกในตอนที่สามขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้ รายการธรรมสู่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร